นี่ช่างนิวเริ่มพูดเธอทาทาไมฟังนะเรานล่นคดีมาอ่านนี่เือคดีเทกกันหนึ่งคดี <c oughs> อ่านไปสาตัวละได้เท็มากันเลยเขาประมวลคดี ความผิดต่อชาติบ้านเมืองต่อบคุคคลสังคมตลอดถึงชาติบ้านเมืองทั้งแผ่นดินก็ประมวลมาพูด เ, เ, เป็นเรื่องความเสียหายของชาติบ้านเมืองทั้งแผ่นดินมีหลายกระทงด้วยกันเราจำไม่ได้กระทรงอะไรบ้างผมนี่แหละมันจะยกหัว ข, ข้อให้ฟังที่เป็นความเสียหายการลุงหมุดในเลี้ยงก็คือดีหนึ่ง คนข่าบา้ า, เานรเมืองเพราะนี่เป็นหัวใจของข้านี่ไม่ใช่เรื่เล็กน้อยบ้านดูหมิ่นนายหลวงใครจะหาคนดีเหมือนนายหลวงนี่หาที่ไหนนีลองไปหาดสิพูดที่ดูหมิ่นนั่นแหละเป็นคนเปลี่ยนขนาดไห น, นไปดูหมิ่นนายหลวงได้ลงคอนี่เราแยกออกมาพิจารณาอย่างนั้นเถคนที่ดูหมิ่นนั่นอ่ะกับนายหลวงเอามาเทียบกันกันแล้วมันก็เหมือนตัวหนูตัวหนึ่งกับข้างตัวหนึ่งนั่นแหละ ความดีมันหนักมากกว่าการนานะมันใหญ่โตกันมากความดีของนายหลวงเท่ากับท้างตัวหนึ่งรือคือเขาลูกหนึ่งความดีของคนนั่นถ้าถ้าจะมีบ้างก็เท่าหนูตัวหนึ่งแล้วก็ไปดูหมิ่ในายหลวงได้ลงคอเป็นคนประเภทใดเพราะท่านทนายได้คิดทุกคนทุกหัวใจนะเราหาคนดีอยู่แล้วอืม เราเองก็อยากเป็นคนดีเมื่อเห็นคนอื่นดีเราควรจะทวงเจยจะนเสืเราแม้เราทำไม่ได้เราก็ควรทวงเคยคนดีเพราะโลกอยู่ได้ด้วยของดีคนดีไม่ใช่อยู่ได้ด้วยของของชัวคนทั่วนี่ล่ะเป็นก็บู้คนเป็นเรื่องใหญ่โตอยู่มากการมีหเหมือนในหลวงไม่ใช่เรื่องเล็ก น, น้อยคือการทำลายหัวใจของชาติบ้านเมืองและทำลายความดีที่ชาติมุ่งหวังในหลวงเป็นคนที่ดีมากที่สุด เราหาได้ที่ไหนในเมืองไทยเ่านี้โพงเสด็จนวลเสด็จนี่เราก็เคยเห็นไม่ใช่หรือไม่ได้อยู่เลยเหมือนกลางหันเพราะความห่วงชาติบ้านเมืองรักประชาราชดรเพราะเป็นลูกของท่า น, นแล้วเราจะหาใครได้อย่างนายหลวงทำไมถึงไปตำหนิได้นายหลวงในหลวงค อ, นงนงอคนคนนั้นเป็นคนประเภทใดี่นารณาดูดูประกาศความเดวร้ายของตัวเองนั่นแหละ ไห้โลกได้เห็นเราจะว่าเข้าใจว่าจะได้คะแนนสักหนึ่งคะแนนเลงคิดหายผลดีคนคนนั้นความเสียหายปากโต ก, ก็ตกปากทําลายทําลายทั้งชาติทั้งบ้านเมืองทําลายความดีของคนซึ่งเป็นผู้มุ่งอยู่ด้วย ก, กันอยู่แล้วทั้งแผ่นดินทั้งโลกมุงก่งต่อคนดีความดีแน่จะาของทํามาได้ก็ยังมีความม่หวงังยังบูชาคุณของคนดีเคารพร่วมใสยินดีแนี่เราทําหน้าดักก็ต่างนี่ับประตจำนิ ในจุดเช่นนั้นแล้แสดงว่าคนนี้เป็นคนที่ทำลายโลกได้อย่างร้ายแรงมากเป็นคนเร็วมากยาถือเป็นตัวอย่างไม่ดีมีเทีข้อหนึ่งแล้วข้อที่สองก็อยูก่กัการขมขืนคมขืนหัวใจการทรัพย์สินอะไรจะล้นยิ่งกว่าทรัพย์สินคือสมบัติคือม น, นุษย์ มนุษย์แต่ละคนแล้วคนนี้มีเจ้าของมีเจ้าของทางนั้นลูกก็มีพ่อแม่ญาติวงศ์เป็นเจ้าของสามีภรรยามีพ่อแม่ญาติวงศเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างมีเจ้าของทางนั้นแล้วการไปทําลายจากนั้นก็เป็นการทําลายที่ร้ายแรงมากเหมือนกันคือทําลายจิตใจเป็นเหตุให้เกลียดแค้นอยู่ตลอดคนฆ่ากันได้เพราะเหตุนี้แหละเมื่อมันไปไหนหาทางออกไม่ได้ก็หาทางเข้าทานั้นซึ่หาทางเข้าก็ฆ่ากันนี่คือการทําลาย ัน <c oughs> แล้วก็บผูกกินเฮโรอีนคันชาเป็นยาเสพติดเป็นการทำลายจิตใจการทำลายสมบัติทั้งคมไปถึงประเทศชาติบ้านเมืองนกันอันนี้ก็ดีไม่เสียงแต่ว่าคนนั้นติดมันไม่ได้กินแล้วอยู่ยังไงก็ต้องวิ่งหาโฉกหารักหาต้นหาตรมมาแล้วสิมันก็กระจายไปติดได้ที่ไหนเดินที่ไหนฉากที่ไหนเวยที่นั่นนี่ มือมันจนตอกจนงมแล้วเพราะความติดไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้อืทีนี้ก็ทำถ้าเราติดแล้วไม่ได้ทําอยู่ไม่ได้มันหมุนจี้จี้ในหัวใจต้องทําตามมันเป็นบอยต้องมันเป็นธาตุของมันธาตุของความชั่วไม่ใช่ของดีธาตุของความดีจึงเป็นความดีใครเป็นธาตุของความดีแล้วคนนั้นแหละเป็นคนโลิศใครเป็นธาตุของความทั่วความทั่วคนนั้นเป็นคนเร็วเสีอหายมากพระคัมภีราไว้หนูเรายกเครื่องเขาถึเป็นยอ น่าเป็นข้อเป็นข้อในที่ดินทีอ่านวันนี้แต่นั้นก็วงราชการพุทธิบิดต่อหน้าที่การงานพุทธิบิดต่อหน้าที่ก็คือชุติสอดชาติทำลายชาติชาติบ้านเมืองเขาภาพิยากรส่งเสริมประจานทำระเบียบกฎหมายบ้านเมืองให้ปกครองบ้านเมือง <c oughs> เงินเดือนก็ให้กินมีมากมีน้อยตามฐานะตามความสามารถของตนของตน นั่นเขาไม่เป็นอะไรราษฎรประชาชนเขาพอใจให้งงเงินหน้าเงินด้วยนั้นน่ะที่ตั้งให้นั้นอ่ะทลายนั่นหลักเป็นของบริสุทธิ์นอกจากนั้นเป็นของทุจริตนี่เขาเรียกว่าทุจริตการทุจริตก็คือการทําลายทรัพย์สินเงินทองและจิตใจของชาติบ้านเมืองนั่นเองไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยถ้ารจะการเราจึงควรระมัดระวังให้เป็นที่ไว้ใจของประชาชนทั้งหลายที่เขามอบความไว้วางใจให้ ใครทํางานหน้าที่อะไรก็เท่ากับทํางานเพื่อชาติเพื่อชาติเพื่อชาติบ้านเมืองเราอยู่ได้ด้วยชาติชาติล่มจมเราต้องล่มจมชาติเสียหายเราเสียหายไม่ใช่ชาติล่มจมแล้วเราจะขึ้นอยู่บนเมฆไม่ได้เป็นไปไม่ได้คนคนนั้นชาติล่มจมเราต้องล่มจมเข้าเลยอยู่กับชาติเราไม่อยู่กับใครอยู่กับคนคนล่มจมเราต้องล่มจมมีอันหนึ่งเราให้ภาครระมัดระวังการทําลายชาติไม่ใช่เรื่องยางน้อยเห็นไหมบ้านเมือง อ้อมแอมแฉเรานี่คิดหายล่มจมไปเพราะอะไรเพราะคลาร์ัท่านนั่นแหละชินไม่หยุดไม่ถอยความโลภมันกืนคนทั้งคนกูนแผ่นดินทั้งชาติทั้งบ้านเมืองหมดไปได้เลยลความโลภความหึงแฉตัวเนี่ยเชื่อว่าคอาร์ทท่านเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาแหลงอะไรล่ะคลาร์ทท่านรับท่นมีความเร็วร่าช้าของเจ้าหน้าที่ที่ทำ ง, งานไม่ถูกติดนั่นแหละมันทําลายสมบัติ ทัพย์สินเงินทองของประเทศชาติบ้านเมืองที่เขาให้ด้วยความพอใจเนี่ยชาตรมัิระวังรักษาให้เป็นที่ไว้ใจของชาติบ้านเมืองเราเป็นผู้รักษาชาติยาเป็นผู้ทําลายชาติถ้าทําทุจริตเรียกว่าทำลายชาติทําธุจริตตามหน้าที่การงานกฎหมายบ้านเมืองเรียกว่าการรักษาชาติบ้านเมืองถ้าทำโกงข้ามเป็นการทุจริตเรียกว่าเป็นผู้ทําลายชาติบ้านเมือง และไม่มีใครที่จะทำลายชาติบ้านเมืองได้ยิ่งกว่าผู้รักษาชาติบ้านเมืองที่ประกาศตนออกอย่างส่งแจ้งว่ารักษาชาติบ้านเมืองตะฉากหลังมีแต่การทำลายชาติบ้านเมืองมันอยู่ที่ไหนที่ น, นั่นไม่อยู่กับพวกนี้จะอยู่ที่ไหนอำนาจอยู่ที่นี่ทำลายได้มากกว่าพวกนี้ทั้จงจี่ต้องท้าว่าเราถึงว่าชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมากเป็นสิ่งที่เราเอาศัยเราก็ควรจัดตัวของเราให้เข้าสู่ชาติบ้านเมืองด้วยความศรัทิาในหน้าที่การงนานของเรา อันนี้คือว่าเป็นที่ไว้วางใจแรกของชาติบ้านเมืองพวกราษฎรกับกับประชาชนราษฎรกับเจ้านายก็เข้ากันได้สนิทอย่าให้ให้เขาได้ชิบชิบชิบชิ บ, ชบอย่าให้เขาเห็นว่ามีเปรตมาแล้วผีมาแล้ววัฏถาบรรนาจักใหญ่โตเท่าไรยิ่งเป็นยักษ์เป็นผีเป็นใหญ่โตแล้วทุบๆชิบชิบไปที่ไหนมีแต่ทุกๆชิบๆๆเขาอิจฉาละอาเจยต่อข้าราชการที่ทุจริแตแด็กเขาไม่เขามมีอำ น, นาจเขาไม่พูด ผู้มีองนาจกระเพื่นไปเพืนไปไปที่ไหนมันก็เหมือนกับนกเข้าน่ะครับเดี๋ยวบินไปไหนต้องเสียงนกมันชักกันอือกระทึกยิ่มผ่านมาในวัดป่าบรรถาโดยแล้วโหเสียงก็ราบคนทันพันปอกแป๊กป้าแป๊กป้าแป๊กเพศมาแล้วผีมาแล้วบอกน่ะเข้าใจไหมอันนี้คือมันกันพวกพุทธิลหนุนคอรับท่านอยู่ไหนป้าแป๊กปอกแป๊กตัวใหญ่มาแล้วตัวสําคัญมาแล้วเยิ่งมาแล้วยักษ์มาแล้วเขาว่างั้นแหละไม่อายบ้างเหรือเรา เรารักษาชาติบ้านเมืองเรากลับเป็นผู้ทำลายชาติบ้านเมืองเึงจากตัวเห็นแต่ความคุกลิดอย่างนี้ไม่อายโลกเขาหรือโลกเขาใหญ่โตขนาดไหนเราเพียงคนเดียวทำไมให้เป็นเป้าที่เพ่งเล็งความที่หายทิพบายปลวงมาสู่เราคนเดียวมันเป็นของดีแล้วเหรออเราควรพิจารณาทุกคนถ้าต่างคนจะจะรักษาชาติบ้านเมืองมีความรักซึ่งปักันอาศัยความเป็นอยู่ทุก นี่ยทุกมุมดูด้วยการเขี่ยเนื่องกันแล้วเราไม่ควรจะทําสิ่งที่เป็นสนยียดจันทรลายด้วยเป็นความที่ผายแก่ชาติบ้านเมืองและจิตใจของคนทั้งแผ่นดินเ้าต้องเป็นผู้มีความสุจริตนั่นที่จะถูกต้องเนี่ยผู้รักษาชาติบ้านเมืองบ้านเมืองจะมีความแน่นหนามั่นคงก็ได้เพราะผู้รักษาชาติบ้านเมืองทําตามกฎของชาติบ้านเมืองที่เป็นกฎแห่งความมั่นคนงถ้าโดนข้ามแล้วก็ทําลายพ้นล่มไปได้เห็นไหมเมืองนอกๆแ้ว ใกล้ๆเมืองไทยเรานี่ดูไหมปูนไปปูนไปจนปจนจูนเป็นผีเป็นยักษ์ไปหมดหาศาสนาไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะอันนี้แหละทําลายคอรับั่นอยู่ทลายไม่ใช่อะไรอืมได้มาเท่าไหร่ก็ปอบมาโปยมาโปย ม, มากวานมากวานมาแล้วว่าจะว่าเป็นพุงโตเลยเจ้าของเองก็ได้โดดหนีนอยู่ไม่ได้ชาว่าอย่างไรดีไหมอย่างนั้นอันนี้เมืองไทยเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเหรอถ้าปูนเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นแน่แน่เป็นอย่างอืง่นไปไม่ได้ คนไม่มีคนรักษาชาติมีแต่คนทําลายชาติชาติบ้านเมืองจะมีความมันน่นคงได้ยังไงต้องคิดหายล่มจมไปด้วยคนผู้ทําลายนั่นเนี่ยไม่ใช่คนผู้ส่งเสรมิมแม้ที่จุดคนผู้ส่งเสริมก็อยู่ไม่ได้ต้องคิดหายไปตามกันเพราะความชั่วคนชั่วมันมีกําลังมากกว่ามันทําลายได้เมื่อมีอำนาจมากมีหน้ามากกว่าสิ่งที่ดีทั้งหลายก็ทําทีหน่าไปหมดเหมือนต้นไม้ใหญ่มันล้มทับต้นไม้เล็กๆอย่านี้น ต้นไม้ใหญ่เชียงต้นเดียวขนาล้มลงไปตรงไหนต้นต้นไม้ลเล็กๆนี่ล้มดาา้านนาคิบหายไปกลวงไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันการทนาชาติเป็นเช่นเดียวคนนั้นถึงควรรักสมวนชาติบ้านเมืองยิ่งกว่ารัากความโลภ<ม>ความโลภมันทําลาย<ม>ความเห็นแก่ตัว<ม>ทําลายชาติทำลายบ้านเมืองทําลายเป็นมดระดับยอดนิดก้อนหุงอะไรไม่ดีทั้งนั้น<ม>ต่อไปก็เป็นทะเลศาบไปหมดม ทำบรรจัมมาไว้ความพิจาริตต่อหน้าที่การงานให้ผู้รัการาชการเป็นหวัวใจของชาตบ้านเมืองเป็นที่เขาไว้ใจทําตัวให้เขาไหว้ใจได้ไปที่ไหนให้เขาเคารพผู้ชาเขานับถือให้เขาว่าอยูว่วาใจก็ว่ายิว้วายมาข้างนอกเขาว่ายิ่ให้เขาคุกคึกๆึกคิดๆๆๆๆๆๆๆเหมือนกระรอกในวัดต่อวันตัดมันตัวเยียว พอบินผ่านมาป้าแฝดป้าแป้กแฝดเสียงไก่ก็ตากันอึกระเทึกคือโคมมันรู้ยักอันนี้ก็อมั่นการประชาชนทั้งหลายทั้งแผ่นดินไทยเรานี่มันมากยิ่งกว่ากระรอกวัดสาวนต่ามันภาคิดทุกแผ่นทุกผลแหละแต่เรายังยิงอยู่เหลือเนอะยว่าเราใหญ่โตอยู่เหลือเงินนั่นเหลือจะเผาเราเงินไม่ได้เผาคนนะคูนต่างหากนะเผาคน เงินไม่ได้มาเป็นเพื่อนคนนะคนตั้งหาเป็นเพื่อนคนคนต่างหากไปเจ็บเป็ น, น, น, นกเรวราฆา่าศพไปขอสุขขอเมล์กันเลี้ยงดูกันไม่ใช่เงินหนาอะเราจะเห็นเงินดียิ่งกว่าคนคนอยู่ด้วยกันผาสุขนะเาถ้ายกตัวอย่างท่านทั้งหลายจะมีเงิน กองเท้าภูเขาก็ตามเอ้าวให้มันนั่งกองเงินกอทองเท้าภูเขาไม่ต้องหาเกี่ยวข้องกับใครละเราอยู่กับกองเงินกองทแล้วก็มีความท้าถูกพอแล้วไม่ได้สามโมงมันโดดสะฮัคนนั่นแหละวิว่าง่ไงนั่นแล้วอะไรดีกว่ากว่คนที่นาสิถ้าเราเงินดีก่คนทําไมไม่ไปนอนในกองเงินนั่นไม่ต้องไปไหนเดี๋ยวใ้รไ้ป่วยป็อยู่นี้แล้วก็เงินนี่แหละเงินมีเป็นคู่เพื่ันเปนมุ่งการมันก็วิ่งหาหมอแล้ววิ่งหายานั่นแหละนั่นพิจรณาสิ อะไรมันดีต่อคนถ้าเห็นว่าคนเป็นเป็นของดีเป็นที่คบค่าสมบูรณ์มาแล้วก็ย่าเห็นแก่ความโลภจะเห็นแก่เงินแก่ทองเห็นแก่ตัวมากที่ต่อคนถึงจะอยู่กับคนได้ส น, นิทเราอยู่กับคนเ็นก็อยู่กับคนตายก็อยู่กับคนเจ็บไข้เรือป่วยอยู่กับคนอืมไม่เอาเงินมา ก, ก่อนไว้เพื่อความสุขความสบายมาเป็นอยุกเป็นยาเป็นเครื่องพยุงจิตใจได้อะไรแหละอืมเรื่งอาศัยธนาหละเงินก็ดีถูกมั้ยไง สุดท้ามก็อาศัยโดยหลักธรรมชาติสุด ข, ขั้วมนุษย์ด้วยกันนี่แหละเป็นหลักธรมชาติแท้นั้นเป็นเสพเครื่องเสพสารทัานดูคุณมาเป็นเครื่อ ง, งขับยุ่เพื่อความสะดวกของคนเท่านั้นไม่ใช่เพื่อการทําลายคนทั้งชาติทั้งแผ่นดินเพราะความหมิ่แย่ตัวเพราะความเห็นแย่นวลถ้ารับเข้าใจเอาไ ว, พว้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอย่างนี้แหละนี่สอนตามหลักคําอุทิเจ้าไม่มีอะไรมีคุณค่ายิ่งกว่ามนุษย์ยิ่งกว่าคนคนอยู่ด้วยคนเห็นคุณค่าของกันละกันแล้วอยู่ด้วยกันเป็นขาสุกนี่ แล้วก็มีหลายเรื่องมีหลายข้อเรื่องทุกขเรื่องต้นเรื่องฉดงนี่จะเรื่องการทำลายไม่ใช่ของดีแล้วนี่เรามาอ่านอ่านดูแล้วมัน ต, ต่อรอดสองเลื่อเลยเอานี่มาสอนท่านทั้งหลายเพราะเราอยู่เกี่ยวเนื่องกับความสุขความทุกข์เกี่ยวเนื่องกับคนดีคนชั่วอือย่างที่ว่าโทษทหารโทษทหารชีวิตนีตัวมีมากมากหายกอง นี่เป็นความจำเป็นต้องประหารข้ารทหารก็ไม่ได้กดบ้านเมืองไปงนั้นเพื่อรักษาส่วนใหญ่เอาไว้ส่วนไหนที่มันดุนแรงมากนะักมันเหนือขอมันเข้าห้องไอพวแล้วก็ปล่อยเท่านั้นจะว่างไงเข้าแดนประหารเจ้ที่ให้ดีจริงก็คือว่าศีลธรรมให้นามศีลธรรมตัวนี้เป็นเพชรคาดไปประหารความชั่วของเราท่านทั้งหลายจาเอาไว้นะ ความชั่วมันอยู่จุดใดทำลายตัวเองทำลายคนอื่นให้เอาธรรมะเข้าไปจุดนั้นห้ามให้มันทำห้ามให้มันพูดห้ามให้มันไปห้ามให้มันมาห้ามให้มันอยู่เพื่อความชั่วทั้งหลายเพื่อการทำชั่วทั้งหลายแต่ให้ไปให้อยู่ให้ทำให้พูดให้คิดในสิ่งที่ดีทั้งหลายนี่ให้เอาธรรมเข้าไป เป็นแม่บทแม่บาทรหรือว่าทำไปเป็เจ้าเป็นนายเหนือหัวใจเราหรือว่าทำไปเพื่อเป็นเทศกาลสางหารความเจ้าของเราจะคิดหายไปหมดภายในจิตใจแล้วอยู่ฟันด้วยความเป็นศุนย์ถ้าทําประหารแล้วมีความท้าสุตถ้าประหารด้วยมีดด้วยดาบประหารวันนี้เท่านั้นวันนั้นมันรักแล้วฆ่ากันดีแล้วเอามาประหารอยู่ไม่มีสิ่งมีสูตรนั้นมันเป็นความจําเป็นเมื่อมันเหนือผีเหนือทำเหนือกฎหมายบ้านเมืองแล้วก็ต้องปล่อยลงไปในช่องนั้น ส่งประหารนี่เมื่อมันยังไม่เหนือต่างคนต่างรู้กันอยู่เป็นมนุษย์ด้วยกันรู้จักดีจักชั่วอยู่ให้นํำทำเข้ามาประหารความชั่วของตัวเองมันผิดตรงไหนให้ประหารตรงนั้นเนื้อเราต้อหนีตัวได้จู่จู่ตรงไหนเอาทำเข้ามประหารตรงที่หนีได้ให้ได้ชมตัวเองด้วยอดด้วยทำอันนี้เป็นความราบรื่นดีงามมากการปกครองตนปกครองใครก็ตาม หลักใหญ่ก็คือปกครองตนด้วยศีลด้วยธรรมแล้วเป็นที่ร่มเย็นไม่มีอะไรร่มเย็นนิ่งกว่าธรรมเพราะนั้นจริงว่าแม้จะเอาธรรมให้ชื่อธรรม่าเป็นเพศฆาตก็ไม่ดีเพศชาตสังหารอะไรสังหารความชั่วเพราะความเชื่อมันเป็นไทยต่อเราต่อมนุษย์ต่อโลก ท, ทั่วไปไม่มีขอบเขตให้เอาธรรมเพื่อสังหารให้มันแหลกที่หน้าที่หายไปหมดในหัวใจของเราแล้วอยู่ด้วยกันเป็นสาสุถ้ามันจํามาไว้นะ วันนี้จะเทศนนเนตอนนี้เทศมาว่าก็อนหน่วยสามสี่ข้อแต่เป็นข้อใหญ่ๆครับเปตังคชินะนะทิ้งจะรับถิงก็ได้<อ>เนาะอะรหางนอนนะไจะ่บนหัวหนานะ่ะโย เง <glorious> ินล่ะม็ตังค์เงินตังค์ก็วางอยู่นิดจังหรือบ้านี่ยนิดจังก็รักษาได้เป็นยที่ดีปะเอ้ออืมเพราะว่า นี่จ <util> <int> ังที <donkey> oh! <h> ่เานาะเาว่าเรารักษาเป็นตรํจเลยนเลี้วหาเป็นประจำจนตะเกียงหายจะม้วนก็เออทตายมีนเป่าห้องร้าไม่หนาเราน้จังใจหนังงมาหาว่าง่่ก็อง้ยูว่าตเ้งาก็ตเ้่เลยืสร้าง้าลเลี้งวง่ว่าก็เหน่อว้าเขปากว่าเขาเล่าม่เน นิจังสิ่านังนมาลงนักถามประจําั่นถ่งยอยู่ประจไ า, า, า, ะ า, ด า, า ไ, ได้ชั่วการเซเวราอวิชฐานตรงไหนระยะไหนสมติกระไรจะนั่นจะน่เดียนิจจังนิจจ์ไหนนิจจ์จะเข้าขีดเกี่ยวนิจจ์จะแค่งานบ่ถามด้วยวนี้ขีเกียวขีดเกี่ยวนี่จะเข้งขีดเกี่ยวนิจังด้เป็นประจาอืม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 ทางรนองกชามิธรรมเรนองกชามิสงทางเถรนองกชามิดยามีบุทางเถรนองกชามิดุยามีธรรมรนองกชามิ ปฏิยัมปีสังขังสระนองกชามิปฏิยัมปีมุทังสระนองกชามิปิยัมปีธรรมังสระนองกชามิปฏิยัมปีสังขังสระนองกชามิจันนะมันังกกตัง มีบางตนไม่เข้าใจสาธารโกเองนะสาธาณะแปลว่าที่พึ่งที่พึ่งทางใจและเป็นพลังออกทางหน้าที่กันนะพุททางพลังอาถารพนเราขอถึงพึ่งพระพุทธเจ้ามาเป็นทึ่พึ่งเป็นพิลุกเป็นที่ยึดพึ่งเป็นพึ่งตายธรรมังสังทางพลังอาถารพ์นี้พเจ้าขอถึงขึ้นพระธรรมประสงค์คิดเป็นหลักเป็นหลักตายจริงหลักเป็นหลังตายแล้วก็ พระพุทธเจ้าคระธรรพระสงฆ์บางคนไม่เข้าใจว่าทุกครั้งเราลองถามทั้งทีนหนึ่งทั้งปีสองทั้งปี ส, งง ส, สามาเป็นชินแน่ใจลงไปยิ่งวาตถุย้มตีละยนปืนทั้ ง, งาตาตทีงนหนึ่งทั้งทีสองทั้งทีสามใหมันถึงใจให้จนชินแน่ใจเือตี้ปเนราชกาก็ตลอาทั้งสามเราถึงใจแต่นั่นต้องเป็นข้อสีล คืปานมาปานมาเรื่อยๆถึงก็คือการรักษาตัวให้มีความสะอาดนี่นคนเรามันตกตกระโปรแต่งหน้าแต่งตัวเข้าลงใหนลงน้ำกระเซาะลงผมสูงผมสวยกระเซาะกระเซาะจนเต่หน้าผากเลยทั้นั้นหนัวใจไม่สูงทามันสะอาดเหัวใจสะอาดรั้วายวาจาไม่สะอาดความประพฤติสะอาดหนักทำมันสะอาดมัน่น พวกศีลนีคือเป็นเครื่องประดับให้สะอาดทั้งภายในใจสอาดด้วยศีลด้วยธรรมเนี่ยทางวาจาพูดอักมาสะอาดคอยเลาะครอบพื้นด้วยเหยื่อด้วยฝูกก้างมีงาน <h> ไม่คป็นที่ขัดที่แย้งต่อเหตุต่อสลด้วยความถูกก้าวมีมาน การกระทำก็ะทำด้วยความถูกต้องมีมงงางนานเป็นประโยชน์ทั้งแต่เตนและคนอื่นเนี่ยถีนเป็นเครื่องกระดับคนให้สริงานเป็นเครื่องส่งเสริมคนให้มีคุณค่าแต่อย่าทำให้ขี้เกียจนิจังนิจังเขาไปรักษาสี่มันขี้เกียจจะรักษาได้มากมันไม่ได้ละร่างขาวว่าแม่มันจะตายอแล้วว่าคนเมื่อน้องข้ามอยู่แล้วไปว่ายน่องเหยิงน่ะ ทุกไงลนะเนอะี่จริุกไงเลยแต่เาหมดแล้ ว, น, ลว น, น, น, นเพราะียวเราจได้ลงการวันน้ลงล้วถาม้าก้อนถึงอีกเอยก <c oughs> านาติปตาเวรามีศิษห้ากษัตริมาลยามิ บินนาดานาเวรมีสุข้าประดังสมาธิยามิอก า, าที่ห้าอง์ที่สามให้ว่ากรรเมื่อทุก ข, ข้างไปที่ลอกสาวบสเพราะว่าตรมขันอบรามาจยาเวรมีสุข้าประดังสมายาม <c oughs> ปะดเวรมีคือข้าปราดังสมาดียามิปะดาเวียมัจจปมาดาานาเวรมีคือขาประดังสมาดียามิข้าแต่เพียงเท่านี้ มีกาล r เพจนาเวรา a ิสิทธ n ประดังสมาดียามินาจิตตวิภิภิสุขะดัชนามลาวันทะเบเลปะนาภารณะมันนาภิภูตเวรามิส <laughs> ิ มีญาติยนะมหัสยานาเรามีสิขาปดังสมาดิยามิมีไมยะาศิขาปดามีเสวนสุบจิยันติเสวนโภสัมปดาที่เรามีบุตรจินยันติตัศมาที่รังวิโสทกยครีายฟอนนะอนานน ให้พรเหยาถามวายวะหาปูราไปปูเรนตีสาพลังเอวะเมวะอิโตชินนางเตตานางอุปปัฏิอิจิตังปฏิตจังคุมฮ้างจปตตัวเมวะสนิชตุสัตย์เตตูเรนตูสังกับาจามโพกนาระโสยะสามันโธตุ เนระโตยะถาสัพพิโยมิวาชันตุสพโรโคยินัสตุมาเตภารกมันตรายโสสิกิจีคายุโกภะอภิวาธนะสีชนิจังวุทธาปจายูจัตตาโรธัมมาวาทานติ อายุวันโนสุ ข, ขงาางัะะข ง, าา ง, ะะขงพระลังพวะวตุสัพพังขลังภราขันสุตตะปเทวตาสัพพุทธานิพาเวนะสัพพัฒมานิพาเวนะสัพพังทานิพาเวนะสัสพพโสผีพระวังตูเตสายันนี้พระเมื่อจะจ้าให้ท่านเป็นไร ไ, ได้นีบ่อนดย่มไดวัดทได้เนี่ยส 我那个。